จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศล ท, ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24กันยายนของพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญละบาสมาชำระใจให้สาบริสุทธิ์เพราะศรัทธาความเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญบาปมีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเหตุที่พวกเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าพวกเรายังมองไม่เห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง เปรียบเหมือนกับคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้านี้ทรงเป็นเหมือนคนตาดีคนตาดีจะเห็นสิ่งต่างๆที่คนตาบอดมองไม่เห็นคนตาบอดจึงต้องอาศัยคนตาดีเป็นคนนำทางเป็นคนพาไปไหนมาไหนฉันใดพวกเราทุกคนเกิดมา พวกเราก็อยากจะมีความสุขมีความเจริญไม่อยากจะมีความทุกข์ความเสื่อมเสียแต่พวกเราไม่รู้ว่าทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญนั้นนะไปอย่างไรเราจึงไปแบบคลนตาบอดสเปะสปะ่าบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางที ก, ท ก, งทก็เจริญบางทีก็เสือ่อม ก็เพราะว่าเราไม่มีคนตาดีนำทางพาเราไปนั่นเองตอนนี้พวกเราโชคดีที่เราได้มาพบคนตาดีคือได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นคนตาดีคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นคําสอนของคนตาดีคือเป็นความจริงสงสอนให้เราทำบุญเพื่อเราจะได้รับความสุขความเจริญเวลาตายเราจะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆให้เราลาบบาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปพบกับความทุกข์และเวลาตายก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าเรา ปฏิบัติทำได้ออกบวนได้เราก็จะสามารถตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความจริงที่พวกเรายังมองไม่เห็นเราจึงต้องอาศัยคนที่มองเห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าพระธรรมธรรมสอนหรือพระอริยสงสาวกที่มีดวงตาเห็นธรรมที่สามารถ แก้ความมืดบอดของท่านได้แล้วเมื่อก่อนท่านก็เป็นคนตาบอดเหมือนพวกเราแต่หลังจากที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วความมืดบอดที่มีอยู่ในใจก็จะค่อยๆจางหายไป แล้วความสว่างก็จะปรากฏขึ้นมาพอมีแสงสว่างเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเราจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นพระนิพพานเห็นทางที่ไปสู่สวรรค์เห็นทางที่ไปสู่อบายเห็นทางที่ไปสู่พระนิพพานเมื่อเราเห็นแล้ว เราก็เดินไปตามทางที่เราต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการถ้าเราต้องการมีความสุขในภพต่างๆเราก็ไปทางสวรรค์ทาบุญ ท, ทาทานไม่ทำบาปถ้าเราอยากจะไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ไปบวช ไปปฏิบัติธรรมไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเราชำระใจของเราสะอาดแล้วเชื้อของภพชาติถูกทําลายไปหมดแล้วเราก็ไม่มีภพชาติไม่มีการเวียนว่าตายเกิดเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่อื่นนี้ยังมีความทุกข์ถึงแม้จะเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุด คือสวรรค์ชั้นคมก็ยังต้องมีการเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ก็ยังดีกว่าไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกเพราะที่นั่นมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขแล้วพอหมดบาปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มารับผลกรรมใหม่เคยทำเวรทำกรรมกับใครก็จะต้องกลับมาเจอคู่เจ้ากรรมนายเวรใหม่เพราะว่าเราสร้างเวรสร้างกรรมกันไว้พอกลับมาเกิดใหม่ก็เลยต้องมาพบกับเจ้ากรรมนายเวรใช้กรรมใช้เวรกันใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตาย ไม่อยากจะมาต้องมาใช้เวรใช้กรรมเราก็อย่ากลับมาเกิดเราไปบวชไปรักษาศิงห์แปรักษาศิงห์สิบรักษาศ์ีล2ิตามกำลังตามฐานะของเราแล้วก็ปฏิบัติทำใจให้สงบทำลาเชื้อของภพชาคือเกล็ด ต, ตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีกิเลสตัณหาแล้วภพชาติก็จะไม่มีต่อไปการเกิดก็ไม่มีต่อไปการแก่การเจ็บการตายก็ไม่มีต่อไปเจ้ากรรมนายเวงก็ไม่มีต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวได้ทรงเห็น และได้ส่งปฏิบัติเพราะอมได้ไปถึงพระนิพพานแล้วการไปถึงพระนิพพานและการไม่ได้กลับมาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวท่านหายไปไหนตัวท่านก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีร่างกายเหมือนพวกเราเท่านั้นเองเพราะท่านเห็นว่าการมีร่างกายเป็นการมารับความทุกข์เพราะเมื่อมีร่างกายแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องพัดรากจากกันต้องมาเจอเจ้ากรรมนายเวรต่างๆก็มีแต่ความทุกข์ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายไม่มีเจ้ากรรมนายเวรไม่มีการพัดรากจากกันอยู่ในพระนิพพานแสนจะสุขแสนจะพัสบายที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นที่มีความสุขอย่างยิ่ง ความสุขอันสูงสุดอยู่ที่พระนิพพานเพราะที่พระนิพพานไม่มีความเสื่อมไม่มีความทุกข์ที่อื่นมีความเสื่อมมีความทุกข์ตามมาที่สวรรค์ชั้นพรมก็มีความเสื่อมสวรรค์ชั้นเทพก็มีความเสื่อมเวลาเสื่อมก็มีเป็นเวลาทุกข์เพราะต้องเสียความสุขไปแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็มีร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องทุกต่อไปคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะมีภพชาติไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะกลับมาแล้วต้องมาเจอความทุกข์อยู่ที่พระนิพพานสบายกว่าเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในห้องปรับอากาศเย็นสบายเราไม่อยากจะออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกมันร้อนมีทั้งฝุน มีทั้งอากาศมีทั้งเสียงรบกวนใจไม่มีความสุขคนที่ไปถึงพระนิพพานก็เหมือนคนที่อยู่ในห้องปรับระกาศนี้เลยส่วนคนที่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานก็เหมือนอยู่ข้างนอกห้องปรับระกาศต้องเจอกับอากาศต่างๆทั้งร้อนทั้งหนาวเจอฝนฟ้าอากาศเจอเสียงเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรต่างๆร้อยแปพันประการ เราจรึงชอบอยู่ในห้องแอร์กันขอให้เราเปรียบเทียบ ว, ว่าพระนิพพานนี้ก็เป็นเหมือนห้องแอร์อย่าไปคิดว่าการไปถึงพระนิพพานแล้วการไม่ได้มาเกิดมีร่างกายนี้ทำให้เราสูญหายไปเราไม่ได้สูญหายเราไปอยู่ในห้องแอร์ไม่ต้องออกมารับกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆอย่างที่พวกเรากาลังรับกันอยู่เพราะเรามามีร่างกาย พอมีร่างกายก็มีเรื่องวุ่นวายต่างๆ ต, ตามมาเรื่องของการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเกิดมานี้ก็ต้องหากินหาอาหารหาอะไรต่างๆมาดูแลร่างกายแล้วก็ต้องไปแข่งขันไปแข่งแย่งกันไปมีเรื่องมีราวกันแล้วก็ยังต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมาเจอกับการ ตายของคนที่เรารักเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาตสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธดาเนี่ยมันมีความทุกข์ร้อยแประการตามมาถ้าเรามีการเกิดแต่พวกเราไม่ค่อยคิดกันเราเพียงแต่คิดว่าเกิดแล้วเราจะได้ทำนู่นทำนี่เราจะได้มีความสุขกัน แต่ความทุกข์ที่เราได้นี่มันมากกว่าความสุขนะน้ำตาที่เราหลั่งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสะสมเก็บเอาไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติเอามารวมกันนีมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูว่าเราต้องทุกข์มามากขนาดไหนต้องร้องห่มร้องไห้มามากมายขนาดไหนเพราะเวลาที่เรามาเกิดแต่ละครั้งต้องมีเรื่องที่ทำให้เราต้องหลั่งน้ำตากัน นี่คือความทุกข์ของคนที่ยังต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจึงออกบวชท่านไม่อยากท่านอยู่ในวังท่านแสนจะสุขแสนจะสบายแต่ท่านเห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเวลาที่ท่านต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาต้องสูญเสียคนที่รักไปเวลาต้องไป ทำสงครามไปแก่งแย่งชิงดีเพื่อที่จะได้หาอะไรต่างๆมาให้ความสุขก็ต้องไปทำสงครามไปฆ่าฟันกันก็เลยไม่อยากจะกลับมาอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เลยไปออกบวชเพราะทราบว่าคนที่ออกบวชนี้เขาจะเห็นทาง ที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหลังจากออกบวชก็ไปศึกษาไปปฏิบัติกับอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนให้ถึงขั้นที่ใจพ้นทุกข์ได้ชั่วคราวก็คือเวลานั่งสมาธิใจสงบความทุกข์ต่างๆก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมา มาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ยังต้องทุกข์อีกพระองค์ mm hmm. จึงอยากจะไม่ต้องการทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าเอาเองลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ได้พบวิธีการที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะไปค้นต้นเหตุของการเกิด ต้นเหตุของการเกิดก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่เองคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าทำลายพวกนี้ให้หมดไปได้ก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปและการไม่ได้กลับมาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าตัวพระพุทธเจ้าหายไปไหนตัวของพุทธเจ้าก็ยังอยู่ เหมือนกับเวลาที่เราเอาเสื้อผ้าที่สกรปรกไปซักเราต้องการเอาสิ่งสกรปรกออกจากเสื้อผ้าพอเราซักเสร็จแล้วเสื้อผ้าก็สะอาดเสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่หายไปก็คือคราบสกรปรกต่างๆใจก็เหมือนเสื้อผ้าที่มีคราบสกรปรกที่ทาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายก็คือกิเลส ต, ตัณหานี่เอง พอเราเอาธรรมะมาซักฟอกเอาทานเอาศีลเอาภาวนามาซักฟอกสิ่งโสกโปกต่างๆก็หายไปแต่จิตที่ได้รับการซักฟอกให้บริสุทธิ์นี้ไม่ได้หายเหมือนกับเสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนคนที่ซักฟอกไม่ได้หายไปไหนเหมือนเวลาเราอาบน้ำเวลาเราอาบน้ำเราก็เอาสิ่งโสกโปก ที่ติดอยู่ในร่างกายของเราให้ออกไปพอสิ่งสโปรกออกไปหมดร่างกายสะอาดร่างกายก็ไม่ได้หายไปไหนใจก็เหมือนร่างกายเหมือนเสื้อผ้าที่มีสิ่งสโปรกที่ทำให้ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายพอเอาทานเอาศีลเอาภาวนามาชำระมากำจัดสิ่งสกรปรกก็หายไปหมดพอสิ่งสโปรก ที่เป็นเหตุที่ทำให้ไปเกิดมันหายไปหมดมันก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปเหมือนถ้าเราทําลายเมล็ดของข้าวถ้าเราไม่อยากจะปลูกข้าวไม่อยากจะให้ต้นข้าวได้ต้นข้าวเรามีเมล็ดข้าวเราก็เอาไปเผาทิ้งหมดพอไม่มีเมล็ดข้าวก็จะไม่มีต้นข้าวไม่มีรวงข้าวตามมาจันใดเมล็ดของการเกิดแก่เจ็บตาย ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เรามีอยู่กันในขณะนี้เราต้องกบจัดให้หมดไปและการไม่มีมันนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนกลับทำให้เราดีสบายกว่าไม่มีระหว่างความโลภ ก, กับความไม่โลภอย่างไหนดีกว่ากันเวลาโลภนี้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดิ้นรน ต้องไปเอาสิ่งที่อยากได้มาแล้วได้มาแล้วก็ไม่พออีกพอได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาไปเอามาก็เหนื่อยต้องไปทำงานทาการไปหาเงินหาทองกว่าจะได้เงินทองมาซื้อของที่เราอยากได้ก็เหนื่อยแสนเหนื่อยทุกแสนทุกข ถ้าเราไม่มีความโลภเราก็อยู่เฉยๆได้สบายตายไปก็เอาไปไม่ได้เอามาทำไมเอามาก็ไม่ได้ทำให้เราหายทุกข์หายอยากหายโลภแต่กลับทำให้เรามีความทุกข์มีความอยากมีความโลภมากขึ้นพระพุทธเจ้ารู้วิธีที่จะํากำจัดความโลภแบบนี้คือก็คือให้เราทำทานกัน แทนที่จะเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้เอามาทําทานกันพอทําทานแล้วความอยากซื้อสิ่งต่างๆก็จะน้อยลงไปเบาลงไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากซื้ออะไรหรือถ้าอยากจะซื้อซื้อก็ได้ซื้อแล้วก็เอาไปให้คนอื่นอย่าให้ตัวเราอยากจะซื้อกระเป๋าซื้อแล้วก็เอาไปให้แม่ก็ได้ให้เพื่อนก็ได้ ให้น้องก็ได้ให้พี่ก็ได้ให้แล้วเราจะมีความสุขมากกว่าเก็บเอาไว้ใช้เองสีออยอีกแล้วเราก็จะได้ไม่มีความอยากจะซื้อกระเป๋าอีกอยากจะซื้อกระเป๋าทีไรก็ซื้อซื้อแล้วก็เอาไปให้คนอื่นแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าที่เราจะมีกระเป๋าเก็บไว้ใช้เองนี่คือวิธีกำจัดความโลภความอยากในสิ่งต่างด้วยการใช้เงิน ทุกครั้งอยากจะซื้ออะไรจะซื้อก็ได้ซื้อแล้วก็เอาไปให้คนอื่นถ้าไม่ซื้อก็เอาเงินที่จะซื้อนี้ไปให้คนอื่นไปทําบุญที่โรงพยาบาลทําบุญที่โรงเรียนทําบุญที่วัดทําบุญที่ปอเต็กตึ้งทําบุญที่ร่วมกตันยูทําบุญที่สภากาชาติทาที่ไหนก็ได้ขอให้เราสละเงินทองที่เราจะไปซื้อของตามความอย่างนี้เท่านั้นเอง เพื่อเราจะได้กาจัดความอยากความโลภที่เกิดจากการอยากจะใช้เงินไปซื้อสิ่งต่างๆถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากซื้ออะไรเมื่อไม่อยากซื้ออะไรก็ไม่ต้องดิ้นหลนหาเงินหาทองถ้าหาก็หาเฉพาะพ อ, พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอก็หาอย่างสบายไม่ต้องดิ้นโดนมากเพราะเราไม่ต้องใช้มากความโลภ ก, ก็น้อยลงความสบายใจก็มากขึ้น นี่คือเรื่องของการกำจัดความโลภความอยากต่างๆกำจัดด้วยการทำทานกำจัดด้วยการรักษาสีเวลาอยากจะรักทรัพย์ก็อยากไปรักทรัพย์เพราะเราถือสีนพอเราไม่รักทรัพย์ต่อไปความอยากรักทรัพย์ก็จะหายไปแต่ถ้าเรารักทรัพย์เราก็จะติดนิสัยจะรักไปเรื่อยๆถ้าเราฆ่าสัตว์เราก็จะติดนิสัยฆ่าสัตว์ไปเรื่อยๆ ถ้าเราประพฤตผิดประเวณีเราก็จะติดนิสัยทำไปเรื่อยติดนิสัยถ้าเราโกโหกเราก็จะติดนิสัยโกโหกแล้วมันจะทำให้เราไม่สบายใจแทนที่จะเราให้เรามีความสบายกับทาให้เราไม่สบายใจเวลาเราทำบาปนี้ใจเราจะเศร้าหมองไม่มีความสดชื่นเบิกบานมีความหวาดกลัวมีความวิตกต่าง เราจึงต้องฝืนเหมือนด้วยการรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะกำจัดความอยากที่จะทำบาปได้เราก็จะไม่มีความไม่สบายใจความทุกข์ที่จะเกิดจากการไปเกิดในอาบายก็จะไม่มีนี่ก็คือการตัดพบตัดชาติตัดการไปอาบายถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอาบาย เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปสวรรค์แล้วเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติที่ดีตายไปก็ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมหรือไปเป็นมนุษย์ถ้าเรารักษาสีลห้าได้ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกแล้วถ้าเรามาหยุดความโลภความอยากด้วยการภาวนาได้ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาได้ ความโลภความอยากก็จะหายไปหมดจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจพอไม่มีความโลภความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจก็ไม่มีการไปเกิดใหม่อีกต่อไปไม่มีการแก่การเจ็บการตายที่จะตามมาไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเราไม่มีการพัลากจากคนที่เรารัิกนี่คือ ผลที่จะได้จากการมีศรัทธาความเชื่อในการตัดสัรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงผลของบาปมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการปฏิบัติธรรมเพื่อกําจัด ก, กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจก็จะทําให้เกิดการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด เรายังไม่เห็นด้วยตัวเราเองเราจึงต้องมีศรัทธาความเชื่อก่อนเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ทําเมื่อเราไม่ทําเราก็จะไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่ถ้าเราเชื่อแล้วแล้วเรานําเอาไปปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าของเหล่านี้มีจริงเหมือนกับเวลาเราไปหาหมอเราเชื่อหมอเชื่อหมอว่าจะรักษาโรคของเราได้เวลาหมอให้ยามาเราก็ทะกินยา ถ้าเราไม่กินเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคของเราได้หรือไม่แต่ถ้าเราเชื่อหมอแล้วเรากินยาที่หมอให้มาเราก็จะรู้ว่ารักษาได้หรือไม่ถ้ารักษาไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องไปหาหมอคนนี้แต่ถ้ารักษาได้<โ>เราก็จะได้ไประโยชน์ได้รักษาโรคภัยให้หายจากร่างกายเราไปฉันใดถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรา เอาอยาที่พุทธเจ้ามอบให้เรามารับประทานคือทานศีลภาวนาเราก็จะรู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาแต่ถ้าเราทำแล้วได้ผลเราก็จะได้ประโยชน์เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงดังนั้นเราต้องพยายาม สร้างศรัทธาให้แน่วแน่ให้มั่นคงด้วยการมาทําบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มเห็นผลแล้วเราจะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปจนเป็นศรัทธาที่ไม่มีวันเสือ่อมคลายแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์คือได้หลุดพ้นจากกองทุกข หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระเีลรัตนาใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ